เราเนี่ยไม่ว่าเราอยากจะหนีทุกแค่ไหนเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันตามติดเราไปตลอดเวลาแล้วก็มันอยู่กับตัวเราทุกขณะเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยถ้าไม่เจอตอนนี้ก็ต้องไปเจอข้างหน้ารวมทั้งความพัดพราสูญเสียการเจอของไม่รักรวมทั้งความตายเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ใจเสมอไปนะความแก่ความเจ็บมันเป็นเรื่องทางกายนะใจไม่ทุกข์ก็ได้ทรัพย์สมบัติเสื่อมสลายไปนะมันก็เป็นของนอกกายนะใจไม่ทุกข์ก็ได้ใครเคยต่อว่าด่าทอนะแม้เราได้ยินแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าว่าเรา มองว่ามันเป็นธรรมดาเราเจอความเจ็บความป่วยเราไม่ผักสมันเรายอมรับ ว, ว่ามันเป็นธรรมดาไม่ตีโพลตีภายเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะทุกข์กายก็จริงแต่ว่าไม่ทุกข์ใจก็ได้เวลาเรามีความปวดความเมื่อยถ้าเราเอาธรรมะมาใชนะ้เช่นการมีสตินะมีสมาธิ ปวดกายแต่ว่าจิตจดจ่อยอยู่กับลมหายใจนะมันก็ลืมปวดไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรยไปกลัวนะความทุกข์อะถ้าเรามีทํเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจเนี่ยใจไม่ทุกข์เป็นไปได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าเราฉลาดนะเราก็สามารถที่จะใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะว่าทุกเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราเห็นธรรมทุกเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ความเจ็บปวดมันก็สอนให้เรารู้ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเรา เห็นปัญญาก็จะเกิดและปัญญานี้ก็ทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ <Okay. S 1> ผู้เจ้าตอบว่าเนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทุกป่วยเป็นทุกข์ <Okay. S 1> เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนานในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง <Okay. S 1> นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพ า, า น, น, นเป็นธรหมบทจบ <Okay. S 1> การที่คนเราจะพ้นทุกข์ได้นี่มันต้องเจอทุกข์นะ แตเจอทุกข์แล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นทุกข์กลับเห็นทุกข์นะมันต่างกันนะระหว่างเป็นทุกข์กับเห็นทุกข์คนส่วนใหญ่เนี่ยเจอทุกข์แล้วเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักเห็นทุกข์เห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสติข้อที่1เมื่อเราเห็นด้วยสติเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์และต่อมาเนี่ยเราเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าสังขารเนี่ยมันลดแต่ทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกับ มันเป็นฐานก้อนแดงๆที่ไม่ว่ามันจะดูข้างนอกเนี่ยสวยงามเพรียดแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกได้เมื่อเข้าไปยึดถือมันเมื่อรู้แบบนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ใจก็ไม่ทุกนะหลวงพ่อของอารมาหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนท่านพูดไว้ว่านะว่าเมื่อเห็นทุกข์ก็ทนทุกข์นะ เพราน้นเราอย่าไปกลัวความทุกข์นะถ้าเราเจอทุกข์ทีไรนะก็รู้ว่าเนี่ยสัจธรรมกำลังเผยให้เราตระหนักและตรงนั้นแหะคือช่องโอกาสที่ปัญญาจะเกิดได้และปัญญาเกิดเมื่อไหร่โอกาสที่จะพ้นทุกก็เกิดขึ้นมานั้นกอเจริญพร